นางงามจักรวาลอาวิชาวันหนึ่งช่วงเดือนสามข้างแรมหลังเสร็จพิธีถวายเพลิงท่านอาจารย์มั่นแล้วท่านก็ไปภาวนาที่วัดดอยธรรมเจดีระยะนั้นท่านยังคงอัศจรรย์ กับความสว่างสวยของจิตดังคำปรารบกับพระตอนหนึ่งว่าจิตของเรามันสว่างสวยก็ยังว่านั่นแหละคนเป็นบ้าอัศจรรย์ตัวเองไม่มีใครอัศจรรย์เท่าเจ้าของอัศจรรย์บ้าในตัวเองไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมแต่เป็นอัศจรรย์บ้าความหลงความยึดจิตอวิชชามันจึงอัศจรรย์ตัวเอง เวลาเดินจงกรมอุทานออกมาในใจว่าแหมจิตเราทำไมสว่างเอานักหนานะร่างกายเรามองดูมันเห็นพอเป็นระรัเป็นองเงาเพราะความรู้ทะลุไปหมดสว่างไปหมดเลยก็อัศจรรย์ ล, ละสิเราถึงว่าอัศจรรย์บ้าท่านอดอาหารมาได้เพียงสามวัน เนื่องจากระยะนั้นอดนานมากไม่ได้แล้วเพราะนับแต่เริ่มปฏิบัติมาจนถึงขณะนี้เป็นเวลาเก้าปีตอนนี้ก็พรรษาที่ส6บกแล้วท่านก็อดอาหารแบบสมบุกสมบันอย่างนี้ตลอดมาวันนั้นท่านจึงตั้งใจจะฉันจังหันเนื่องด้วยท่านอาจารย์คงมาเจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดี ในขณะนั้นอนุญาตให้ชาวบ้านมาใส่บาตรที่วัดทุกวันพระพระเนนจึงไม่จำเป็นต้องออกไปบิณฑบาตนอกวัดดังนั้นพอได้อรุณแล้วเพื่อรอเวลาฉันอาหารท่านจึงออกจากกุฏิไปเดินจงกรมทางด้านตะวันตกของวัดตั้งใจว่าจะเดินอยู่จนกระทั่งได้เวลาบิณฑบาต ขณะที่ท่านเดินจงกรมไปมาอยู่นั้นเกิดรำพึงในใจว่าเอจิตนี่ทำไมอัศจรรย์นักหนานะมันสว่างสวัยเอามากพอรำพึงถึงเรื่องความอัศจรรย์ของจิตจบลงเท่านั้นอุบายก็ผุดขึ้นมาในขณะจิตหนึ่งเป็นคำคำเป็นประโยคประโยคอย่างไม่คาดไม่ฝันว่า ถ้ามีจุดมีต่อมแทงผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแลคือตัวพบในตอนนั้นท่านเล่าว่าท่านงงเป็นไก่ตาแตกไปเลยเพราะยังไม่เข้าใจในอุบายที่ผุดขึ้นจึงได้แบกปัญหานี้ไปคนเดียวในป่าในเขาทางอำเภอบ้านผือท่าบอออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและ อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายในช่วงนี้เองที่แรกท่านจำเป็นต้องให้ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีพระอุปชาของท่านร่วมเดินทางไปด้วยแต่กระนั้นก็ตามการสนทนาธรรมระหว่างท่านกับท่านเจ้าคุณก็มีไม่บ่อยนักเพราะกลัวจะขาดการสืบต่อทางความเพียร จึงจําเป็นต้องได้เลี่ยงท่านเจ้าคุณอยู่เรื่อยๆส่วนท่านเจ้าคุณเองก็คงสังเกตเห็นได้ชัดเจนจนมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเจ้าคุณจึงได้กล่าวขึ้นว่าเธอเอยเรากลับไปแล้วเธอก็จะสบายหรอกเธอยุ่งเพราะเราถึงตอนนี้ท่านเคยให้เหตุผลว่าท่านไม่สะดวกจะอยู่กับใครใ ในเวลานั้นจริงๆเพราะไม่อยากให้เสียเวลาขาดความเพียรเลยท่านเจ้าคุณก็มีเรื่องจำเป็นต้องพูดคุยอยู่บ่อยครั้งเวลาพูดคุยทำให้ชะงักไปบ้างในทางความเพียรอีกประการหนึ่งเมื่อท่านเจ้าคุณไปในที่ใดๆคณะพระเนนกระวาดลูกศิษย์ลูกหา ก็มักมากราบมาเยี่ยมท่านอยู่ไม่ขาดสายดังนั้นเมื่อท่านเจ้าคุณจากท่านไปความต่อเนื่องทางความเพียรจึงมีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง จำเป็นของครูอาจารย์ท่านกล่าวถึงอุบายที่ผุดขึ้นในภายในจิตของท่านที่ว่าถ้ามีจุดมีตอมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแลคือตัวพบ ในตอนนั้นท่านยังไม่เข้าใจความหมายจึงได้แต่รู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งว่าหากท่านอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่องค์ท่านจะสามารถแก้ปัญหานี้ให้ได้ทันทีดังนี้หากท่านอาจารย์มั่นยังทรงธาตุทรงขันอยู่ท่านจะแก้อุบายนี้ได้ทันทีและ จิตตะอวิชาดวงสว่างสวัยหน้าอัศจรรย์นี้ก็จะต้องพังทลายขาดสะบั้นลงไปในตอนนี้เลยทีเดียวแต่เพราะด้วยขณะนั้นปัญญายังไม่ทันกับอุบายที่ผุดขึ้นจึงไม่สามารถพังทลายได้ไมิหนำซ้ำยังติดยังยึดมันเข้าไปเสียอีกด้วยด้วยเหตุนี้เอง ท่านจึงพูดอย่างถึงใจอยู่เสมอว่าครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงนั้นมีความจำเป็นอยู่ทุกระยะดังนี้<อ>ถ้าสมมุติว่านำปัญหานี้มาเล่าถวายท่านอาจารย์มั่นตรงนี้ปั๊บท่านจะใส่ผางมาทันที ที่นี้จะเข้าใจปุ๊บเดียวจุดนั้นก็พังทลายไปเลยนี่มันไม่เข้าใจปัญหาก็บอกชัดอยู่แล้วนี่สิถึงได้ว่าความจำเป็นมีอยู่ทุกระยะนาเรื่องจิตนี่จึงสำคัญ ที่ครูที่อาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนผู้ที่ท่านรู้แล้วไม่ต้องพูดมากเลยท่านใส่ปั๊บเดียวได้ความใครจะมาสุ่มครอบทั้งหนองทั้งบึงไม่ได้จะโยนยาใส่กันทั้งตู้ทั้งหีบมันไม่ได้เรื่องความจำเป็นกับครูอาจารย์มันจาเป็นอย่างนี้ไม่ว่าขั้นไหนขั้นไหนความก้าวหน้าของเรา มันช้าผิดกันปัญหาบางอย่างแก้กันอยู่สองวันสามวันแก้กันยังไม่ตกไม่ตกมันก็ไม่ถอยจะต้องแก้ให้ตกจนได้นี่สิมันจะตายเพราะคำว่าแพ้นั้นมีไม่ได้ถ้าจะแพ้ให้ตายเสียดีกว่านอกจากต้องทะลุโดยทายเดียวถ้าไม่ทะลุ ก็ต้องเจาะกันอยู่อย่างนั้นมันหมุนติ้วติ้วอยู่นั้น พสีท่านได้ไปพักอยู่กับท่านอาจารย์ล่าในเขาลึกราวครึ่งเดือนที่พักเป็นป่าเขาอาศัยอยู่กับชาวไร่บินทบาทพอเป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเดินจากที่พักออกมาหมู่บ้านกว่าจะพ้นจากป่าก็เป็นเวลาสามชั่วโมงยี่สิบนาทีถึงหมู่บ้านก็ร่วมสี่ชั่วโมง ท่านได้มีโอกาสศึกษาเรียนถามธรรมกับท่านอาจารย์ล่ารู้สึกว่าทราบซึ้งจับใจท่านมากดังปรากฏอยู่ในตอนหนึ่งของหนังสือปฏิปทาพระธุดงกรรมฐานท่านอาจารย์ล่าอธิบายปัจจัยาการ คืออวิชชาได้ดีละเอียดละออมมากยากจะมีผู้อธิบายได้อย่างท่านเพราะปัจจัยาการเป็นธรรมละเอียดสุขุมมากต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติภาคจิตตะภาวนามาอย่างช่ำชองจึงจะสามารถอธิบายได้โดยละเอียดถูกต้องเนื่องจากปัจจยยการ หรืออวิชชาเป็นกิเลสประเภทละเอียดมากต้องเป็นวิสัยของปัญญาวิปัสนาขั้นละเอียดเท่าๆกันจึงจะสามารถค้นพบและถอดถอนตัวปัจจัยการคืออวิชชาจริงได้และอธิบายได้อย่างถูกต้อง ท่านอาจารย์ล่าเป็นสิทธิผู้ใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นภูมิลำเนาเดิมอยู่เวียงจันทร์ท่านไม่รู้หนังสือเนื่องจากไม่เคยเรียนมาก่อนนับแต่อุปสมบทแล้วท่านอยู่ที่ฝั่งไทยตลอดมาจนวันมรณภาพเพราะทางฝั่งไทยมีหมู่คณะและครูอาจารย์ทางฝ่ายปฏิบัติมาก ท่านอาจารล่าเริ่มฉันหุนเดียวและเที่ยวกรรมฐานอยู่ตามป่าตามเขากับท่านพระอาจารย์มั่นและท่านพระอาจารย์เสามาแต่เริ่มอุปสมบทไม่เคยลดละข้อวัดปฏิบัติและความเพียรทางใจตลอดมาท่านกล่าวถึงการบําเพ็ญสมณธรรม ของท่านอาจารย์ล่าไว้เช่นกันว่าท่านอาจารย์ล่ามีนิสัยเด็ดเดียวอาหารชอบอยู่และไปคนเดียวท่านมีนิสัยชอบรู้สิ่งแปลกแปกได้ดีคือพวกกายทิพย์มีเทวดาเป็นต้นพวกนี้เคารพรักท่านมากท่านว่าท่านพักอยู่ที่ไหน มักมีพวกนี้ไปอารักขาอยู่เสมอท่านมีนิสัยมักน้อยสันโดษมากตลอดมาและไม่ชอบออกสังคมคือหมู่มากชอบอยู่แต่ป่าแต่เขากับพวกชาวป่าชาวเขาเป็นปกติตลอดมาท่านมีคุณธรรมสูงหน้าเคารพบูชามากคุณธรรมทางสติปัญญารู้สึกว่า ท่านคล่องแคล่วมากเวลาท่านจะจากขันไปก็ทราบว่าไม่ให้ใครวุ่นวายกับท่านมากเป็นกังวลไม่สบายขอตายอย่างเงียบแบบกรรมฐานตายจึงเป็นความตายที่เต็มภูมิพระปฏิบัติไม่เกลื่อนกลนวุ่นวาย หรักษาด้วยธรรมโอสถคราวหนึ่งท่านออกวิเวกโดยเดินทุดงไปทางบ้านกระโหมผลทองซึ่งอยู่ระหว่างอำเภอบ้านผือกับอำเภอท่าบ่อต่อเขตต่อแดนกัน มีแม่น้ำทอนเป็นเขตแดนชาวบ้านหมู่บ้านกระโหมพลทองจำนวนมากต่างพากันล้มป่วยด้วยโรคเจ็บขัดในหัวอกดาดาดกันไปหมดเหมือนโรคอหฮิวาหรือฝีดาษถึงขนาดที่ว่าวันหนึ่งหนึ่งเป็นกันตายกันวันละสามสี่คนบ้างห้าคนบ้าง บางวันก็มีถึงเจ็ดแปดคนบ้างท่านพักอยู่ในป่าเขาก็ไปนิมนต์ท่านมาสวดอุสลามาติกาให้คนตายเพราะแถวนั้นไม่มีพระวันทั้งวันเดี๋ยวมีคนนั้นตายแบกเข้ามาสักพักเดี๋ยวแบกเข้ามาใหม่อีกแล้วท่านเลยจะไม่ได้หนีห่างจากป่าช้าเลยจนสุดท้าย โรคนี้ก็มาเป็นขึ้นกับตัวท่านเองอาการของโรคเจ็บเหมือนกับเหล็กแหลมเหลาทิ่มแทงประสานกันเข้าไปในหัวอกในหัวใจจะหายใจแรงก็ไม่ได้ยิ่งถ้าหากว่าจามด้วยแล้วแทบจะสลบไปในตอนนั้นเลยทีเดียวเมื่ออาการเกิดขึ้นเช่นนี้ ทำให้ท่านทราบได้ทันทีว่าถ้าขืนเป็นเช่นนี้แล้วไม่นานก็คงต้องตายอย่างแน่แท้เพราะแม้แต่หายใจก็จะไม่ได้มันคับเข้าแน่นเข้าเรื่อยๆหายใจแรงแทบไม่ได้เลยเมื่ออาการเช่นนี้ปรากฏขึ้นท่านจึงบอกชาวบ้านว่าเป็นโรคแบบเดียวกันนี้แล้วต้องขอหลบตัว จากนั้นท่านก็เก็บตัวพักอยู่ในป่าภัยตีนผูแล้วจึงพิจารณาว่าคราวนี้เราจะไปตายเสียแล้วเหรอในเวลานี้เรายังไม่อยากตายเพราะในหัวใจถึงจะละเอียดขนาดไหนก็ตามแต่ก็รู้อยู่ว่าจิตนี้ยังไม่ได้เป็นอิสระยังมีอะไรอยู่ในจิต หากว่าตายไปในตอนนี้ก็แน่ใจในภูมิของจิตภูมิของธรรมว่าจะต้องไปเกิดในที่นั้นๆยังไงก็ต้องค้างอยู่ยังไม่ถึงที่เหล่านี้ทำให้วิตกวิจารว่ายังไม่อยากตายเพราะจิตยังจะค้างอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่งในความรู้สึกยังมีอะไรอาวรณ์อยู่ แต่ไม่ใช่กับชีวิตเป็นความอาัายอวร์อยู่กับมรรคผลนิพพานที่ตนต้องการจะได้แต่ด้วยเหตุที่โรคมันบีบบังคับตลอดเวลาทาให้ท่านต้องหมุนกลับมาพิจารณาย้อนหลังว่าทำให้ท่านต้องหมุนกลับมาพิจารณาย้อนหลังว่า ไม่อยากตายก็ต้องได้ตายเมื่อถึงการมันแล้วห้ามไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นคติธรรมดายุ่งไปทำไมเรื่องของทุกขเวทนานี้ก็เคยผ่านเคยรบมาด้วยการนั่งหามรุ่งหามคำ่ำนั่งตลอดรุ่งแม้ทุกขเวทนามากแสนสาหัสก็เคยได้ต่อสู้จนได้ความอัศจรรย์มาแล้ว โรคนี้ก็เป็นทุกขเวทนาหน้าเดียวกันอริยสัตว์อันเดียวกันจึงถอยไปไม่ได้มีชาวบ้านยกทั้งบ้านพากันไปเยี่ยมท่านเป็นร้อยๆท่านก็ให้เขากลับหมดไม่ให้ใครมายุ่งเลยจะเหลืออยู่ก็แต่ผู้เท่าคนหนึ่งเท่านั้นแกแอบซุ่มดูท่านอยู่ตลอดทั้งคืนด้วยความเป็นห่วง ที่กอภผ่ในป่าใกล้ๆกันนั้นโดยไม่ให้ท่านรู้ตัวท่านตั้งใจจะขึ้นเวทีต่อกอกอนกันกับทุกขเวทนาของโรคนี้ในคืนนี้ชนิดที่จะให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงถึงเป็นถึงตายเลยทีเดียวจากนั้นก็เข้าที่นั่งภาวนาโหมกำลังสติปัญญา หมุนเข้าพิจารณาทุกขเวทนาในจุดตรงกลางอกที่กำลังเจ็บเสียแทงอยู่นี้ท่านเล่าไว้ดังนี้พิจารณาทุกขเวทนาในหัวอกนี้ว่าเป็นยังไงเกิดขึ้นจากอะไรเสียแทงอะไรเวทนาเป็นหอกเป็นเหลาเมื่อไรกันมันก็เป็นทุกขธรรมดานี้เองทุกนี้ ก็เป็นสภาพอันหนึ่งเป็นของจริงค้นกันไปมาไม่ถอยเป็นตายไม่สนใจสนใจแต่จะให้รู้ความจริงในวันนี้เท่านั้นพิจารณาดังนี้จนกระทั่งถึงหกทุ่มกว่าพอเต็มที่เห็นประจักษ์เวลาถอนนี้ถอนอย่างประจักษ์เช่นเดียวกับทุกขเวทนา จากการนั่งตลอดรุ่งจิตรอบด้วยปัญญาทุกขเวทนาถอนแบบเดียวกันถอนออกจนโล่งหมดเลยหายเงียบไม่มีอะไรเหลือว่างไปหมดเหมือนกับร่างกายไม่มีพักอยู่จนกระทั่งจิตมันพอตัวแล้วก็ยิบยักยิบยับถอยออกมาถอยออกมาจิตก็ยังว่าง ร่างกายแม้จะมีอยู่แต่ไม่มีเจ็บมีปวดมีเสียดแทงในหัวอกอย่างที่เป็นอยู่จึงแน่ใจว่าไม่ตายแล้วทีนี้โรคนี้หายแก้กันด้วยอริยสัตว์พอหลังจากนั้นแล้วก็ลงเดินจงกรมเขาเรียกตะเกียงอะไรแก้วครอบเล็กๆภาคอีสานเขาเรียกตะเกียงป๊ะ จุดไว้ข้างนอกมุงโนนตั้งแต่ต่อสู้กันอยู่โนนนะจุดไว้แล้วก็เข้าที่ละ่ะมองเห็นไฟอยู่นอกมุงโนนไม่ได้เอาเข้ามาในมุงจากนั้นก็ลงเดินจงกรมโอ้ยเดินก็ตัวปลิวไปเลยหายเงียบไม่มีอะไรเหลือท่านเดินจงกรมจนตลอดรุ่งคืนนั้น ท่านจึงไม่ได้นอนเลยเมื่อแสงอาทิตย์สว่างพอรำไรผู้เท่าที่แอบอยู่ข้างกอไผ่ก็ปุ๊บปั๊บออกมาด้วยความดีใจท่านเห็นผู้เท่าจึงทักว่าเอาโยมมาทำไมละ่ะโหผมนอนอยู่นี้ข้างกอไผ่นี่แกว่าเอานอนทำไมก็บอกให้ไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ โอ้ยผมไม่ไปผมกลัวท่านจะตายผมคอยแอบอยู่นี้ผมก็ไม่ได้นอนเหมือนกันทั้งคืนไฟของท่านสว่างตลอดรุ่งเห็นท่านมาเดินจงกรมผมก็ดีใจบ้าง พิจารณาทุกขเวทนาจากการป่วยคราวนี้ท่านเคยยกเอามาเป็นตัวอย่างสอนพระให้รู้หลักว่าเวลาพิจารณาแล้วแก้ถอนกันมันก็ถอนให้เห็นชัดๆนี่นะมันแก้กันได้ด้วยอริยสัจปัญญาพิจารณากองทุกแยกแยะ ก, กันกับร่างกายของเราออกให้เห็นอย่างชัดเจน ดังที่เราเคยปฏิบัติมาในสมัยที่นั่งหามรุ่งหามคำ่ำไม่ได้ผิดกันเลยแต่เรื่องสติปัญญาต้องขึ้นสดส ด, สดร้อนร้อนเราจะไปเอาเรื่องเก่าเรื่องที่เคยเป็นมามาปฏิบัติไม่ได้เรื่องแก้กิเลสแก้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแก้ทุกขเวทนานี้มันต้องสดสดร้อน อย่าให้เกิดขึ้นมาด้วยการคาดการหมายมันถึงแก้สดๆดร้อนจริงๆ 493เดือนเมษายนเป็นช่วงที่ท่านพักที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครที่นั่นท่านได้พบกับคุณหมอเจริญวัฒนสุชาติซึ่งกำลังเตรียมตัวจะบวชตามประเพณีคุณหมอเจริญวัฒนสุชาติต่อมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา วันหนึ่งมีหญิงสาวผู้หนึ่งเข้ามาสนทนากับคุณหมอเจริญหลังจากพูดคุยกันอยู่ครู่ใหญ่เรื่องราวที่สนทนากันทำให้หญิงสาวผู้นั้นถึงกับยอมเปิดเผยความในใจว่าแกเป็นปอบในตอนนั้นท่านเองก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยท่านเล่าไว้ดังนี้ อย่างเขาว่าเป็นปอบเป็นผีก็เหมือนกันคนนั้นเป็นปอบคนนี้เป็นปอบมันมีผีมาสิงอยู่ในคนเขาเรียกปอบเอ๊ะชื่อว่าอะไรนาหญิงคนนั้นหมอเจริญซักเอาเสียจนตาแห้งนั่งดูหญิงคนนั้นหมอเจริญเป็นนักเรียนแพทย์ปัจจุบันอยากรู้ชัดๆ เป็นยังไงแน่แกก็เล่าให้ฟังจริงๆโห oh, แกเล่าอย่างอาหานี่นั่นเหมือนกับอ้าปากด้วยลืมตาไม่หลับด้วยอ้าปากด้วยคือแกพูดมันน่าฟังถ้าวันไหนมันหิวมันดิ้นอยู่ในนี่เจ้าของจะรู้สึกรำคาญว่างั้นปอบส่วนมากมันจะออกทางตา แผลบแผลบทางตาแล้วก็ไปแล้วทางเจ้าของนี้ก็คอยร้อนใจละสิกลัวว่ามันจะไปกินใครเข้าถูกหมอเข้าเก่งเข้าไล่ติดตามผีมาก็มาหาเราได้ถ้าคนไล่ผีไม่เก่งคนไล่ผีไม่รู้มันก็กินคนพอมันกินอิ่นแล้วก็กลับมาหาคนกลับมาหาเจ้าของนั่นแหละ เข้าทางหูบ้างเข้าทางตาบ้างแวบเดียวทีนี้ก็จะรู้สึกง่วงนอนทั้งวันถ้ามันได้ไปกินอิ่มๆ ม, มาแล้วจะง่วงนอนทั้งวันเลยแต่ถ้ามันหิวแล้วเจ้าของจะรู้สึกกระวนกระวายคือมันกวนอยู่ภายในครั้นถ้าออกไปกินเขาก็ถูกเขาไล่ละสิว่าอีนี่เป็นปอบ อีนั้นเป็นปอบเขาไล่ตามมาก็มาโดนเอาเราเข้าเหตุที่จะเป็นปอบก็เพราะแกไปสักว่านเขาเรียกว่านกระจายสักอยู่บนหัวนี่ให้เขาสักว่านให้ที่กระหม่อมแล้วอยู่ยงคงกระพันด้วยนะเมื่อสักว่านนี้แทงก็ไม่เข้าฟันไม่เข้าปืนยิงไม่ออก นั่นละเหตุที่จะมาเป็นปอบก็บเพราะว่านอันนี้คือรักษาไม่ได้แก่ว่ามีวิชาที่ขัดกันกับสิ่งนี้เช่นกินของดิบอย่างนี้นะถ้าหากกินเนื้อดิบปลาดิบอย่างนี้เข้าไปมันจะขัดกับวิชานี้ถ้าขัดแล้วก็ทำให้เป็นปอบได้ถ้าไม่ขัดก็ไม่เป็นอะไร สิ่งที่ทำให้ขัดกันก็เช่นไม่ให้กินเนื้อหรือไม่ให้กินปลาดิบหรืออย่างลาบเลือดหรือเครือกล้วยก็ห้ามไม่ให้ไปลอดนี้ก็ไปลอดไม่ได้มันผิดนี่ละที่แกเล่าให้ฟังเราก็ฟังดูเหมือนกันเอ๊ะที่ลึกที่วัดป่าสุทาวาสนี่ล่ละ เรากําลังจะไปวัดดอยธรรมเจดีกับหมอเจริญหมอเจริญกําลังจะบวชให้ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีไปบวชแกบวชให้แม่แม่ขอก็เลยบวชให้ก็ผู้ดีผู้หญิงคนนั้นแกมาคอยรถอยู่ที่หน้าวัดแต่ก่อนรถไม่ค่อยมีแหละมาที่กุติพวกนี้ก็นั่งอยู่นั้นแกมา ก็เลยพูดกันไปพูดกันมาจึงได้รู้เรื่องรู้ราวว่าแกเป็นปอบทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เหรอเป็นอยู่แกว่างั้นนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ยังแก้ไม่ตกเพราะว้านเขาสักไว้กระหม่อมนี้แล้วไปทำผิดเลยกลายเป็นปอบไป ถ้าหมอเขาก่งเก่งมันไปกินใครอย่างนี้เขาไปขับกอบพอจับมัดได้แล้วเอาเชือกน้มัดเขาเรียกเชือกระกรรมเป็นเชือกวิชาเมื่อเขามัดผูกนี้ไว้แล้วมันก็ออกไม่ได้จากนั้นเขาก็ซักถามสิเป็นใครมาจากไหนเป็นนั้นชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วใครเป็นเจ้าของ มันก็ชี้บอกเจ้าของยายนี้แหละคนยังสาสาวอยู่นะไม่ใช่ยายอะไรแหละหมอเจริญนี้เชื่อเลยโอ้โหวิชามันแปลกนะเอาไปคิดแหละพวกหมอแผนปัจจุบันนี้นะสิ่งเหล่านี้เขาไม่เชื่อว่ามีทีนี้หมอเจริญนี่แหละเชื่อไปเห็นแล้วไม่เชื่อได้ยังไงเพราะเขาพูดเป็นตุเป็นตะพูดเป็นหลักความจริง หลักฐานพยานก็สักอยู่บนกระหม่อมเขาก็บอกว่าสักอยู่ตรงนี้นี่ละตัวมันพาเป็นเหตุก็มีหลักฐานพยานอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะไม่เชื่อได้ยังไงมันกินคนเขาก็บอกว่ามันไปกินคน